ทีนี้ต่อไปเลยนะครับตถาคตในยะที่7ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะทรงทำแต่ความแท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์เนี่ยทำแต่ความแท้จริงอ่ะนะทำแต่จริง่งทำแต่สิ่งแท้ว่า ง, งั้นเถอะ ต, ตอบว่าจริงอยู่กายของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมอนุโลมตามวาจาแม้วาจาก็อนุโลมตามกายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงเป็นผู้พูดอย่างใดทำอย่างนั้นและทำอย่างใดก็พูดอย่างนั้นเมื่อพระองค์เป็นอย่างนี้วาจาเป็นอย่างใดแม่กายก็ไปคือเป็นไปอย่างนั้นและกายเป็นอย่างใดแม่วาจาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเชื่อว่าตถาคตด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายะถาวาทีภิกขเวตถาคโตตถาการีตถาวาทีอิตยะถาวาทีตถาการี ยะถาการีตถาวาทีตัสมาตถาคโตติวุติดูกรพิสูจทั้งหลายตถาคตพูดอย่างใดทำอย่างนั้นนะทำอย่างใดก็พูดอย่างนั้นเพราะตถาคตพูดอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดพูดอย่างนั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำนั่นเองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าตถาคตเพราะทรงกระทาแตกความแท้จริงด้วยประการชนนี้นะครับ ของเราก็ในฐานะเป็นลูกศิษย์ก็ ฝ, กฝึกฝึกไว้นะครับนะพยายามพูดในสิ่งที่จะทำแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่ที่พูดนะครับ อ, อ่ขอโอกาสครับทีนี้คนเราเนี่ยบางทีขาดสติปัญญาพอพูดไปเสร็จแล้วรู้ว่าพอมาแต่ตอนที่หลังรู้ว่าถ้าทำไปเนี่ยผิดแน่เกิดโทษแน่แต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยทำยังไงถ้าคนถือสัจริ แล้วก็ไปทําตามที่คิดนี่บางทีเกิดโทษก็มีก็มีตัวอย่างไหมนะกลับก็มันก็เอาตรวจสอกบการทมวินัยนะครับเอาทำวินัยเป็นเกณฑ์นะนะถ้าหากว่าล่วงละเมิดผิดพลาดตายเหมือนกับล่วงอบัติไปก็แสดงคืนตามธรรมนะครับนะก็ไม่ใช่ว่าไปถือเถรตรงจนนะครับนะแต่ว่าให้พยายามที่สิ่งที่ควรตั้งนะครับคือจะพยายามปฏิบัติตามธรรมวินัยที่สุดเท่าที่จะทําได้ นะครับทำมั่ววินัยให้ปฏิบัติยังไงก็จะขอประพฤติตามในลักษณะนี้นะครับอันนี้ควรตั้งนะแต่ว่าไอ้ยางอื่นเนี่ยนะครับใช้สติปัญญาตัวเองไปตั้งตั้งเสร็จอาพลาดแกกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่ควรตั้งคือตั้งไงครับตั้งที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามสติตามกําลัง ตามความสา ม, มารถด้วยความบากบันนะครับด้วยเรียวแรงด้วยพาระกําลังทั้งหมดขอทุ่มเทศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งนี้ควรตั้งนะครับอื่นจากนี้ก็ตามแต่จังหวะตามแต่สถานที่กาละและโอกาสนะครับต่อไปขึ้นตถาคตระยะที่8ว่าถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อว่าตถาคตพระธรรว่าทรงครอบงามเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่า เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําภวกระพรมเอาไว้ในเบื้องบนนะครับเบื้องบนที่สุดคือภวกระพรมที่สุดเบื้องล่างคืออเวจีนะครับทรงครอบงาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ในเบื้องขวางนะครับเบื้องขวางในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้นะครับคุณของพระองค์ช่างหรือวัดไม่ได้นะครับ ด้วยศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะบ้างโดยแท้จริงนะครับไม่มีใครจะเอาอะไรไปวัดคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติญาณทัศนะของพระองค์ได้พระองค์อันบุคคลช่างไม่ได้วัดไม่ได้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาไม่มีเทวดาอื่นยิ่งกว่าอีกแล้วเป็นเท้าสักกะยิ่งกว่าเท้าส ก, กะทั้งหลายเป็นพรหม ยิ่งกว่าพรมทั้งหลายสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตทาคตนะครับคือสูงยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปกายนะรูปกายเนี่ยตอนที่พระองค์เสด็จสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับสมัยที่แสดงอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะพระองค์ก็เด่นกว่าเหล่าเทวดาและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนะครับแม้แต่พระองค์เสด็จไปที่พรมโลกพระองค์ก็เด่นกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนี้รูปกายนะครับส่วนนามกายล่ะครับคือ ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุมตติยานัทสนะฮิริโอตปะสติสัมปัญญะเป็นต้นของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาอะไรไปช่างหรอกครับเนี่ยนะก็คิดดูว่าพระปเจกทั้งจักรกวาล น, นะครับพระผู้มีพระภาคพระ อ, องค์เดียวก็เหนือกว่าแล้วนะครับ อ, นะอันนะพระพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณอันใครๆช่างไม่ได้วัดไม่ได้นะครับ ด้วยเหตุ น, นั้นพระองค์จึงตรัสว่าสเทวเกพิคเวโลเกเปสเทวมนุส่ายาต ท, ทาคาโตอภิภูอะนะพิภูโตอัญญัตทถทุทะโสวะสวะตัตะะ ต, ติตัสมาตถาคาโตติวุจะติดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ครอบงำได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างยังสัตให้อยู่ในอำนาจในโลกพร้อมกับเทวโลกในหมู่สัตว์พร้อมกับเทวดาและมนุษย์ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตะถาคตนะครับพระองค์นี้ครอบงำสัตว์ทั้งหมดนะครับไม่มีสัตว์ใดไปครอบงำพระองค์เลยในข้อนี้เป็นบทสําเร็จในคํานั้นก็คําพูดของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับยานะคําสอนพระองค์เนี่ยเหมือนยาเป็นเยื้อกลายแห่งเทศนาเรียกว่าเทศนาวิราชและเป็นการสะสมบุญโดยเหตุนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้านั้นอ่ะผู้มีอนุภาพมากทรงย่ํายีผู้กล่าวคัดค้านทั้ง และโลกพร้อมด้วยเทวโลกดุดหมอยาปราบงูด้วยยาทิพย์ฉนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีคําพูดวิเศษตามที่กล่าวแล้วจริงแท้ไม่แปรผันในการครอบงําชาวโลกทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตนะครับเพราะพระอัดว่าพระองค์นี้ทรงครอบงาําสรพรพสรัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นนะครับนะไม่มีใครไปครอบงํำพระองค์พระองค์นี้ครอบงาําสัตว์ทั้งหมดนะครับอ่นะ คือครอบงมด้วยเดชคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาทัศนะเป็นต้นนั่นเองนะครับคือคือให้รู้ว่าพระองค์เนี่ยเหนือสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าแม้แต่อรูปรฐมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศที่สุดกว่าสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรียกว่าสัตว์สัตว์นี่นะไม่มีผู้ใดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วถามว่า พระพุทธเจ้าแค่ไหนครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเกินกว่าองค์ใดนะครับเท่ากับพระพุทธเจ้านะครับเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระพุทธเจ้าสองพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นในโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่จะเกิดขึ้นพร้อมทีละสองเหมือนลูกแฝดเนี่ยไม่มีครับมันมีแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์เท่านั้นนะครับ เอากรณีอย่างอายุก็ต่างกันแล้วก็ไม่เอ้ยสัตว์ที่โปรดเป็นนยสัตว์นะ น, นะที่โปรดให้บรรลุอ่าไปมาณมากน้อยต่างกันอันนี้ไม่ถือว่าต่างกันเลยคือสัตว์ที่พระองค์สอนให้บรรลุนี่นะครับหาประมาณไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับความสูงต่างพรัศมีก็กว้างแคบแตกต่างตระกูลก็ต่างอายุก็ต่างนะครับ ความต่างเหล่าน <arken> <ần oring> totally <weird> ี้ก็ต่างแค่สิ่งเหล่านี้เองซึ่งเป็นอัพยากตะธรรมนะในส่วนนี้นะครับแต่โดยเฉพาะคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่มีความต่างท่านอุปมาเหมือนกับทองคําที่หักตรงกลางไม่มีความแตกต่างแตกต่างกันเลยนะครับทองคําข้างซ้ายข้างขวาที่หักตรงกลางเนี่ยที่หักเนี่ยไม่มีความต่างกันเลยแท่งทองอ่ะนะแท่งทองที่หักตรงกลางเนี่ยนะไม่ต่างกัน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะรู้คือตรัสรู้ด้วยความแท้จริงนะครับรู้จริงรู้แท้ว่างั้นเถอะอธิบายว่าชื่อว่าตถาคตเพราะรู้คืออย่างรู้โลกทั้งสิ้นด้วยตีระนปริญญาอันแท้จริงนะครับโลกทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์ทาปริญญาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2โลกสโลก4ี่โลก5้โลก6โลก7โลก8โลก9้โลกโลก12หรือโลก18 นะเช่นโลก1นึ่งสัตเทสตาหารติทิกาองค์ก็ทำตีรณปริญญาหมดเกลี้ยงนะครับโลก2คือนามกับรูปพงก็ทำปริญญาหมดแล้วโลก3คือเวทนาสามพงก็ทำตีรณปริญญาหมดโลก4คืออาหารสี่ค์ก็ทำปริญญาหมดนะครับโลก5คืออุปาทานขันห้าพงก็ทำปริญญาทั้งหมดนะครับโลก6คือยตนาภายในหของสัตว์ทั้งหมดพงคก็ทำปริญญาหมดแล้วนะครับโลก7คือวิญญาณทิฏฐิทั้ง7จ็ดพงก็ทำ ปริญญาหมดแล้วนะครับโลก8คือโลกกระทำแปดพระองค์ก็ทําปริญญาหมดแล้วโลก9คือสัตวว่าเก้าพระองค์ก็ทําปริญญาหมดแล้วโลก10บคืออยตนา10พระองค์ก็ทําปริญญาหมดแล้วโลกสิบสองคือยตนาสิบสอพระองค์ก็ทําปริญญาหมดแล้วโลกสิบแปดคือท่าสิบปดนะครับพระองค์ก็ทําปริญญาหมดแล้วนะครับด้วยตีรณะปริญญานะครับ เชื่อว่าตถาคตเพราะละโลกกับสมุไทยคือตัณหาเป็นต้นเหตุให้เกิดโลกเหล่านั้นด้วยปหานะปริญญาอันแท้จริงนะครับสมุไทยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งโลกนั้นๆ น, น, นะครับพระ อ, องค์ละหมดแล้วออพระ อ, องค์ละสมุไทยของพระ อ, องค์นะไม่ได้ไปละเผื่อคนอื่นนะครับแต่ว่าในสัตว์อื่นๆพระ อ, องค์ไขควรหมดแล้วแต่ว่าไอ้สมุไทยเนี่ยมันละแทนกันไม่ได้นะครับแทนกันไม่ได้ถามว่าเหมือนอะไรครับเหมือนทานข้าวจะแทนกันได้ไหมพ่อแม่ทําบุญแล้วนะทำแทนลูกได้ไหมบุญอนะ่ะ ทำแทนกันไม่ได้นะครับแต่สัตว์อื่นเนี่ยนะพระองค์พิจารณาหมดแต่ว่าละกิเลสแทนเขาไม่ได้พระองค์ละได้กิเลสของพระองค์อันนี้โดยโดยโดยยาณนะนะแต่โดยการแสดงธรรมเป็นต้นพระองค์สอนให้สัตว์หาประมาณไม่ได้ละกิเลสนะครับอ่าแล้วพระองค์นี้ก็เชื่อว่าตถาคตเพราะ บ, บรรลุโลกกนิโรธนะครับคือพระนิพพานนะนะที่ดับตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดโลกด้วยการทําให้แจ้งหมดแล้วนะครับ เชื่อว่าตถาคตเพราะทรงไปคือทรงปฏิบัติในโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาคือปฏิบัติปฏิปทาให้ถึงความดับตันหาอันเป็นเหตุให้เกิดโลกนะครับสรุปก็คือโลกโลกสมูทัยโลกนิโรตโลกนิโรธาคามินีปฏิปทาเนี่ยพระองค์ทรงทําให้แจ้งหมดแล้วโลกพระองค์ก็ทรงทําตีรณปริญญาโลกกับสมูทัยพระองค์ก็ทําปะหานะปริญญาโลกกันิโรตก็ทรงทำสัชชิกิริยาคือทําให้แจ้ง โลกนิโรธคามมนีปฏิปทาพองก็ทรงปฏิบัติทรงภาวนาให้ถึงความจริงแท้นะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโลกโกภิกเวตถาคเตนะอภิสัมพุทโธเปตสมาถตถาคโตติวุจติดูก่อนพิสูจน์ทางลายตถาคตรู้ยิ่งซึ่งโลกตถาคตพรากออกจากโลกแล้วดูก่อนพิสูจน์ทางลายตถาคตรู้ยิ่งซึ่งโล ก, กอสูททกกสทไทยตถาคตละโลกอสูทไทยได้แล้ว ตถาคตรู้ยิ่งซึ่งโลกก น, นิโรธตถาคตทําให้แจ้งซึ่งโลกก น, นิโรธแล้วตถาคตรู้ยิ่งโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาตถาคตเจริญโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาชัดแจ้งแล้วดูกับมพิสูจนทั้งหลายข้อที่ตถาคตรู้ยิ่งถึงสิ่งทั้งปวงของเทวโลกพร้อมด้วยมนุสโลกนั้นจึงชื่อว่าตถาคตด้วยประการเช่นนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเน้นไปที่ว่าโพงนี่แทงตลอดอริยสัต์นะครับขออกาครับเออทำไมท่านจึงใช้คำว่าโลกในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสเช่นว่าส ถ, ถาคดละโลกเสมุดไทยแล้วตัดสู้ยิ่งโลกคนนี้โลดอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็อาจจะคิดว่าคื อ, อคำว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยนะครับบางทีก็ใช้คำว่าโลกแทนก็ได้นะเราอาจจะคุ้นเคยคาว่าทุกข์นะครับ ทุกๆเนี่ยนะครับบางทีพระ อ, องค์ก็เทศนาวิราชพระองค์ใช้คําว่าขันห้าบ้างใช้คําว่าสกายะบ้างใช้คําว่าอาวสะวะเป็นต้นบ้างนะครับพระ อ, องค์นี้ทรงแสดงยักย้ายตามตามสมควรเพราะฉะนั้นคําว่าโลกอันนี้เป็นชื่อของขันห้านะครับเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าเพราะฉะอุปาทานขันห้าเนี่ยนะครับตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันห้าใช้คําว่าโลกอันนี้เนี่ยนะครับ ไม่มีโลกเลยคือแผ่นดินนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันโลกอันนี้หมายถึงสังขารโลกนะครับอ่าสัตว์วโลกนั่นนะครับแปลว่าเสื่อมสลายไปทีคําว่าโลกมีสาอย่างนะครับหนึ่งเอ่อหนึ่งสังขารโลกก่อนนะครับสองโอกาสโลก3มสัตว์วะโลกมันโลกในที่นี้นะครับที่ประมวลลงอริยสัจเป็นสังขารโลกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสังขารโลกที่แยกให้เห็นเมื่อกี้ว่าหนึ่งโลกหนึ่งคือ อาหาสัพเพสตาหาฤติติกาสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอันนี้ก็เป็นชื่อของสังขารธรรมทั้งหลายโลกสองคือนามกับรูปโลกสามคือเวทนาสามนี่นะครับโลกทั้งหลายเหล่านี้นะครับมีตัณหานั่นแหละเป็นเหตุเกิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโลกนี้พระองค์ทรงบัญญัตในกะเลวระอันนี้นะครับในกะเลวะเนี่ยนะ คือร่างกายอันนี้นะครับที่ยาวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจครองพงษ์ยังไม่บัญญัติเรื่องอริยสัจเป็นต้นลงในต้นไม้ใบหญ้าอะไรเลยนะครับองษ์บัญญัติลงในนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดคําว่าโลกเนี่ยนะเช่นโลก6กใช่ไหมโลกคือตาโลกคือหูโลกคือจมูกโลกคือลิ้นโลกคือกายโลกคือใจเนี่ยนะอริยสัจ ต, ต้องประชุมลงที่นี่เพราะ ตันหาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งตาหูจมูกเล่นกายใจอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวินิจฉัยจริงๆเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดก็ต้องวินิจฉัยที่นี่นะครับอันนนี้ก็ของตทาคตในยะที่1 น, นะครับจะขึ้นตถาคตในที่สองนะครับด้วยเหตุแบบประการแม่อื่น อ, อีกส่วนตทาคตในที่สองเนี่ยนะครับของคัมภีติวุตกะกับคัมภีอุทานนะครับคัมภีอุทานในอัตถกถาสุปปวาสาสูตร โดยเนื้อหาก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนะครับโดยพยัญชนะนะและโดยอัถาก็ไม่ต่างกันเลยส่วนถ้อยคำที่อธิบายนั้นก็มีอยู่ในที่อื่นๆืนถ้อยคำที่จะแสดงต่อไปนะครับก็เป็นถ้อยคำที่ได้เรียบเรียงแล้วนะครับได้เรียบเรียงแล้วข้อความตรงไหนที่อัตถกาถาท่านยกมาให้ไม่เต็มก็จะเอามาใส่จนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นภาคถาคตในที่2ให้ใช้เรียนตามเอกสารก็จะ พิสดารกว่าในอัตรกรถาบ้างนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาสาธรรณนานเป็นต้นเนี่ยนะครับเอ่อขึ้นในพระตถาคตในที่สองนะครับว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถาคตด้วยเหตุแป บ, บประการแม้อื่นอีกนะครับคือหนึ่งเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นมาจากบาลีว่าตทายะอาคโตติตทาโตนะครับเสด็จมาโดยประการนั้น ในย่อที่สเนี่ยนะครับเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นมาจากบาลีว่ตทายะคโตติตถาคโตในย่อที่3ก็เพราะเสด็จมาถึงสัจจะอย่างนั้นนะครับคือมาจากบาลีว่ตทานิอาคโตติตถาคโตในย่อที่4เพราะเสด็จไปอย่างนั้นนะครับตถาคโตติตถาคโตในในที่5มีเพราะมีประการอย่างนั้นนะครับตถาวิโทติ ตถาคโตในที่6นะครับเพราะมีความดําเนินไปโดยประการนั้นนะครับตถาปวติโตติตถาคโตที่7นะครับเพราะไม่ไปจากความจริงแท้คือตเทหิอะคตโตติตถาคโตแล้วก็เพราะมีภาวะดําเนินไปโดยท่องแท้นะครับตถาคตะภ า, าเวนะตถาคตโตดัะนั้นโดยสรุปก็คือเสด็จมาโดยประการนั้นนะครับ คล้ายๆกับที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ในยะที่สองนี่จะอธิบายพิสดารกว่าสเสด็จมาโดยประการนั้นสเสด็จไปโดยประการนั้นสเสด็จมาถึงสัจจะอย่างนั้นเพรา ะ, สะเสด็จไปอย่างนั้นนะครับมีประการอย่างนั้นมีความดําเนินไปโดยประการอย่างนั้นไม่ไปจากความจริงแท้มีภาวะดําเนินไปโดยท่องแท้นะครับอันหัวข้อเหล่านี้ถ้าทรงจําไม่ได้นะครับก็เกือ้อกูลต่อการทรงจําพุทธคุณบทว่าตถาคตนะครับ เนี่ยที่บายโดยพิศดานะครับนัยยะที่หนึ่งว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นนะครับาถามว่าพระองค์เสด็จมาโดยประการนั้นเนี่ยพระองค์เสด็จมาอย่างไรคือพ ร, พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับคราวเป็นสุมเมตดาบทบำเพ็ญอภินิหารอันคำว่าอภินิหารก็หมายถึงมูลปณิธานหรือว่าความตั้งใจเดิมเนี่ยนะครับอันประกอบด้วยองค์8ประการ แทบบาทมูลของพระทศพลพระนามวัตถีปังกรคือคําว่าภินิหารตรงนี้นี่นะครับเป็นคําอธิบายถึงความตั้งใจหรือความปรารถนานั่นเองนะครับแต่ว่าความปรารถนาที่จะสําเร็จได้ก็เพราะอาศัยองค์8ประการคือต้องมีองค์ประชุ ม, มะนะเหมือนเหมือนกับใครต้องการอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเช่นต้องการจะซื้อรถเนี่ยนะก็ต้องมีองค์ประกอบของผู้ที่ซื้อรถได้นะครับจึงจะซื้อรถได้ ถ้าไม่มีองค์ประกอบเช่นขาสตังเนี่ยนะครับรถแถวนั้นไม่มีขายจะไปซื้อได้ยังไงก็ต้องมีองค์ประกอบนะครับจึงจะซื้อรถคันหนึ่งสาเร็จฉันใดผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะครับไอ้ตั้งใจนี่มันตั้งได้ล่ละแต่ถ้าไม่ครบด้วยองค์ประชุมแปประการก็ยังไม่แน่ว่าความตั้งใจหรือความปรารถนาอันนั้นจะสาเร็จนะครับ พันคำปราถนาเนี่นะครับเหมือนกับข้อความในคำพีพุทธวงศ์นะครับในสุมเมศกฐานะครับกล่าวว่ามนุสสตังเลงขสัมปติเหตุสัทธารัตนังปปะชาคุณสัมปติอธิกาโรฉันทะตาอัธธรรมะสมุทานาอภินีหารโรสมิชตินะครับหมายถึงว่าอภินิหารนี่ยนะครับย่อมสำเร็จเพราะการประชุมธรรมแปประการนะครับ ธรรมะแปดประการนั้นก็คือ 1. ความเป็นมนุษย์นะครับสสมบูรณ์ด้วยเพศ 3. ต้องมีเหตุ 4. การได้พบเห็นภาษาสดา 5. การบรรพชานะครับแล้วก็ 6. ความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนะครับ7ต้องมีบุญญาธิการนะครับ8ก็เป็นผู้มีฉันทะนะครับ ส่วนรายละเอียดโดยพิสดารขององค์ประชุมทั้ง8ประการก็โปรดดูในสุเมธคาฐานนะคะในคำพีพุทธวงศ์ครับในคัมภี์พุทธวงศ์เมื่อพระองค์ทรงบําเพ็ญอภินิหารนี่นะครับพระองค์ก็ทรงประกาศมหาปฏิญญาว่านะครับเราข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้แล้วจากยังสัตว์ให้ข้ามด้วยนะครับเราหลุดพ้นแล้วจากยังสัตว์ ให้หลุดพ้นด้วยนะครับเราฝึกตนแล้วจักฝึกผู้อื่นด้วยเราสงบแล้วจักให้ผู้อื่นสงบด้วยเราโล่งใจแล้วจักยังผู้อื่นให้โล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจักยังผู้อื่นให้ปรินิพานด้วยเราตรัสรู้แล้วจักยังผู้อื่นให้ตรัสรู้ด้วยนะครับเพราะนั้นคาปฏิญญาลักประมาณ7คนี่นะครับ1่ข้ามสองหลุดพ้นสามฝึกสี่สงบ 5โล่งใจ6ปรินิพานแล้วก็7ตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ปฏิญญาประมาณ7จ็ดคำเนี่นะครับแล้วก็ถ้าข้ามแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นข้ามถ้าหลุดฝึกสงบโล่งใจปรินิพานก็อยากจะเอาคนอื่นไปด้วยนะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าคือพระองค์ทรงตรัสไว้ในสุมเมธคาถานะครับว่าเราเป็นชาติชายมีพลังนะคนมีกำลังนะคนมีกล้ามอย่างนั้นเลย ข้ามพ้นแต่ผู้เดียวจะมีประโยชน์อะไรเราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วจากยังโลกนี้พร้อมเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยด้วยบุญญาธิการนี้นะครับคือด้วยบุญที่ได้ สละชีวิตอุทิศแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับที่ว่านอนคว่ําลงในโคลนตมเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์เนี่ยเดินเหยียบข้ามไปเนี่ยนะด้วยเจตนาที่เสียสละอันนี้เนี่ยด้วยบุญอันนี้เนี่ย น, นะขอจงเป็นไปเพื่อสัพพัญญุตยานใช่ไหมครับแล้วเมื่อบรรลุสัพพัญญุตยา น, นยก็จะให้โลกกับเทวโลกข้ามได้ด้วยว่างั้นนะไม่ข้ามคนเดียวว่างั้น เราเป็นชาติชายมีพลังบรรลุพระสัพพัญญุตยานแลว้วให้หมูชนเป็นอันมากข้ามได้ด้วยวนะนะจะพาคนอื่นไปให้นักนักกว่างั้นเราตัดกระแสสงสารวัตแลว้วทําลายพบทั้งสามขึ้นสู่นาวาคือธรรมะนะครับคำว่าขึ้นสู่ธรรมะคือนาวานี่นะครับนาวาในที่นี้เป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 เมื่อขึ้นสุวรรยมขด้วยองแปดแล้วจักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยเราทําให้แจ้งธรรมะในที่นี้ด้วยเพศที่ผู้อื่นไม่รู้จักจะมีประโยชน์อะไรเราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแลว้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พร้อมเทวโลกนะครับจะเป็นพระพุทธเจ้านะจะให้ช่วยให้คนอื่นบรรลุด้วย แต่จริงคําพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเพอ้อฝันไปหรือเปล่านะครับถ้าเราอ่านไม่ดีเนี่ยนะแต่ถ้าศึกษาพุทธประวัติตอนที่พระองค์บรรลุแล้วจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยช่วยหรือขนสรรพสัตว์ไปมากมายจริงๆนะครับแค่ ด, ดูนะธรรมจากกัปปวัตนนสูตรสูตรแรกเนี่ยนะครับพรหมก็บรรลุสิบแปดโกฏนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมไปเรื่อยเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบ้าพันษาเนื้หาประมาณไม่ได้นะครับผู้ที่บรรลุมรรคผลในพานนะครับ เพราะฉะนั้นมหาปฏิญญาที่กล่าวเนี่ยนะแท้จริงๆนะครับคําพูดเหล่านี้ที่พูดไว้เมื่อสีอสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะครับคําพูดเหล่านั้ น, น, นได้สําเร็จแล้วนะครับก็พระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกเมื่อตรัสมหาปฏิญญานี้นั้นอันเป็นเหตุแห่งการค้นคว้าการพิจารณาและการสมาทานหมวดธรรมะอันกระทําความเป็นพระพุทธเจ้าแม้ทั้งสิน้นไม่ให้คลาดเคลื่อน เพราะเหตุที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศมีฐานะบารมีเป็นต้นได้อย่างสิ้นเชิงติดต่อกันโดยเคารพนะครับฉันพอพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้พูดเสร็จก็นั่งนิ่งนอนนิ่งแม่ฉันว่าจะทําว่าจะทําแล้วก็ไม่ทําไม่ใช่นะครับพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะปฏิญญาแบบนี้แล้วเปล่งวาจาแล้วว่าจะ จะช่วยให้คนอื่นข้ามด้วยนะจะช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจะฝึกคนอื่นจะให้คนอื่นสงบจะให้คนอื่นโล่งใจจะให้คนอื่นปรินิพานด้วยเนี่ยนะจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยพอพองเปล่งวาจาในลักษณะนี้ก็้นขวาแล้วค่ะเนี่คขนขวาพิจารณาแล้วก็สมาทานนะครับสมาทานอะไรครับสมาทานธรรมะที่กระทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ า, านะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มี มีธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะเหล่านั้นก็คือบารมีสิบทัศนะครับนะหรือบารมีสาสิบทัศน์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องทําทั้งหมดนะครับต้องทําให้บริบูรณ์ให้ครบถ้วนด้วยนะครับตลอดระยะเวลาสอสงไขแสนกลับด้วยนะครับแล้วก็ทรงมหาบริจาค5มีบริจาค อวัยวะเป็นต้นนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงพอกพูนอธิฐานธรรมธรรมะเป็นท ouais. nee. evet. ี่ต ah ั้งมั่นนะครับคือสัจจะทีฐานอธิฐานธรรมคือสัจจะอธิฐานธรรมคือจากธิฐานธรรมคืออุปสมะและอธิฐานธรรมคือปัญญานะครับธรรมะเป็นที่ตั้งมั่น4ประการนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงพอกพูนบุญยสมภาระและญาณสมพันธ์นะครับสัมภาระคือบุญนี่ก็ต้องทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ งงแล้วก็ปัญญานี่ก็ต้องพอกพูนเรียนรู้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทรงให้บุรพโยคบุพัจริยานะครับการประพฤติแต่ก่อนบุพัจริยาเนี่ยนะครับการประกอบความประพฤติแต่ก่อนทำรรมกถาคือการแสดงธรรมยาตต ะ, ะจริยาการประพฤติประโยชน์ให้แก่ญาติเป็นต้นพระองค์ก็ทําให้อุกฤษนะครับให้พุท ธ, ธจริยาอันเป็นที่สุดอย่างยิ่งนะครับ คือความประพฤติธรรมะเพื่อสงเคราะห์ญาติหรือว่าเกื้อกูลแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำทั้งหมดตลอดเวลาสีอาสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัปจึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโอ้บำเพ็ญมหาสารนะครับฉะนั้นมหาปฏิญญานั้นนะครับคือคําพูดที่แป่งนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นของจริงแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่น ความผิดพลาดแม้เพียงปลายขนสายก็ไม่มีแก่พระผู้มีพระภาค น, นะคําพูดที่พูดไว้นั้นเนี่ยนะไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ผิดแม้กระทั่งเท่าปลายเข็มมั้งนั่นนะี่ยจริงอย่างนั้นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้า24พระองค์เหล่านี้คือพระทีปังกรโทศพล น, นะครับพระโกนธัญะมังคละนะพระเรวตะพวกพระอนมุมาทศีปิยะทศีอัฏฐทศีธรรมะทศีนี่นะครับ พระพุทธเจ้าพนามว่าสิทธะเนี่นะครับพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิขีเวสภูกะกูสันทะโกนาคามนาพระพุทธเจ้าพนามว่ากัสปะนี่นะครับเสด็จอุบัติขึ้นโดยลําดับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็ทรงพยากรณ์ว่านะโพธิสัตว์เนี่ยจะได้เป็นหรือจกได้มรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระองค์ได้รับพุทธยากรจากพระพุทธเจ้ายี่สิบพระองค์นะครับพระองค์นี้ทรงได้รับ พยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้ายี่สิบสี่พระองค์ด้วยประการชนีแล้วสงได้รับอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญอภินิหารจะพึงได้รับนั่นแหละนะพระโพธิสัตว์นี่นะครับเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วนะนะจะไม่เกิดเช่นจะไม่เกิดเป็นหญิงจะไม่เกิดเป็นกระเทยจะไม่บอดแต่กำเนิดเป็นต้นนะจะไม่เกิดไปเป็นสัญญาศาตร์จะไม่เกิ ด, ป เ, ปญญ เ, กดเป็นกาลันชิกาศูนย์เป็นต้นนะนะก็อันิี้สงทั้งหลายที่จะได้รับนะครับ เสด็จมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาคือบรรลุความเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งด้วยความจริงแท้ด้วยมหาปฏิญญาตามที่ตรัสไว้นั้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นนะมาโดยประการนั้นคือมาอย่างไงมาอย่างที่ปฏิญญาหรือมาแบบที่เคยพูดเอาไว้นะว่าพูดจะช่วยให้คนบรรลุเนี่ย จะช่วยให้สษษับประสาทได้ตรัสรู้นะคำพูดเหล่านั้นก็ทําสําเร็จแล้วจริงๆนะครับอันนี้คือความหมายของพระตถาคตในยะที่หนึ่งนะครับที่คุณนิยต์ถามพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยพยากรณ์คนใดคนหนึ่งไหมครับว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้ามีไหมครับของผมเองยังยังอ่านไม่พบนะครับยังยังอ่านไม่พบเนี่ย อย่างอย่างบางคนที่บอกว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่นี่ก็จะได้ไปเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับครับผมตามคัมภีร์อื่นๆก็กล่าวไปอย่างนันน้นอือก็ตรัสถึงพระศีอานนะครับแต่ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุรูปใดในสมัยนั้นว่าเป็นพระศีอานนะครับอืมว่า<ต>พระโพธิสัตว์พระศีอานในในชาตินั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นใครนี่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเออแต่ก็มีกล่าวถึงในปฐมสมโพธนะครับอ๋อใช่ใช่ก็มีในคัมภีร์ปฐมสมโพธนะครับไม่ทราบว่าท่านเรียบรียงมายังไงนะคะอืม อาชิตาภิกษุภิกขุเห็นไหมครับครับผมที่ชื่ออปราชิตะเนี่ยนะครับอั น, นี้ โ, โดยรายละเอียดนี้เราก็ไม่ยังไม่ได้ค้นคว้าต่อไปเลยแต่เขาก็อ้างทักษิณาวิพังกระสูตรนะแต่ในทักษิณาวิพังกระสูตรก็ไม่ได้ตรัสไว้อะไรแต่ก็มีหลายอย่างนะครับที่ที่เราไม่รู้อีกตั้งเยอะนะครับก็เราเรียนรู้ได้เท่านี้ก่อนก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับยังไม่วิจารณ์ในด้านที่ยังไม่ได้ค้นคว้านะครับ